เพลงต่อไปเป็นเพลงที่สวยมากครับพี่กบเป็นคนทําดนตรีเพลงนี้นะครับ เ, เพลงนี้ชื่อเพลงตายยากครับ ไหนก็ไปเธออย่ามาเสียเวลาอีกเลยก็รู้ว่าเธอเมือนเชก็รู้ว่าเธอหมดใจไปไหนก็ไปเธอหากเธอรู้ว่าใจเธออยู่ในก็คอยตามอย่างใจ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 กับเรืองแค่นี้ถึงเจ็บยังไงคงไม่ถึงตายก็เพราะคนอย่างฉันตายยากต่อให้เธอเล่นทำรุนแรงวันนี้ก็ยาที่จะให้ฉันเสียใจเพราะคนอย่างเธอไม่อาจทำให้ชีวิต ฉันเปลี่ยนและไม่มีทางที่ฉันจะตายเพราะเธอ ไม่ต้องหัวงและไม่ต้องกลัวว่าฉันจะเสียใจไอเรื่องแค่นี้ทิงเจ็บยังไงคงไม่ถึงตายก็เพราะคนอย่างฉันตายอ่ะต่อให้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 ไม่มีทางที่ฉันจะตายเพราะเธอมาครับ